ชายสูงวัยนะหรือสาววอลคนหนึ่งเราว่าเย็นวันหนึ่งเนี่ยขับรถไปทำธุระแถวอ่างทองระหว่างทางเนี่ยก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมาก็พอดีนะมีเสียงเรียกโทรศัพท์เข้ามาเขาก็เลยรับโทรศัพท์แล้วก็ขับไปคุยไป พอคุยระหว่างที่คุยโทรศัพท์าาพอยู่เนี่ยจะไม่ทันเสร็จเลยนะก็มีวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละขับรถตามมาประกบข้างๆแ้ตกระตะโกนใส่เขาว่าเนี่ยควายควายควา ย, วา ย, วายชาวนั้นบ่อ น, นเขาโกรธมากเลยนะวัยวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการยั่วยวนวัยรุ่นกลุ่มนี้เลย พอได้ยินไวรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยว่าควายควายควา ย, วายนี่เขาก็โกรธแล้วก็จ้องมองไวรุ่มกลุ่มนี้เนี่ยแบบตาไม่กระพิบเลยด้วยความไม่พอใจเสร็จแล้วก็ตะโกนด่ากลับไปพวกมึงเด็กควายแล้วก็พูดด่าไปกหลายประโยคเลยพอพูดจบเพราว่าเขาก็หมดสติไปเลย มารุ้ตัวอีกทีก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วพอเห็นพยาบาลเขาก็รีบพูดกันมาเลยนะว่าไปจับพวกมันได้หรือยังนะไอ้พวกวัยรุ่นพวกนั้นเนี่ยมันมาด่าผมไอ้มาทำร้ายผมอีกพยาบาลบอกว่าคุณนะนะขับรถหกโค้งชนฝูงควายวัยรุ่นเนี่ยเขาเตือนคุณแล้วว่ามีควายอยู่ข้างหน้าแต่คุณก็ไม่ฟัง แลพอเกิดเทตเขาก็เลยพาคุณมาส่งโรงพยาบาลร่างกายเป็นว่าวัยรุ่นเนี่ยนะมาช่วยเขาเอาไว้ไม่ได้เป็นพวกเก่งเมล็กเกเรเลยที่สำคัญคือว่าวัยรุ่นก็ไม่ได้ด่าเขาว่าควายควายนะก็เพียงแต่เตือนว่ามีควายอยู่ข้างหน้าแต่ว่า ชายสวาวคนนั้นเนี่ยคิดว่าถูกด่าว่าควายนะก็เลยโกรธแล้วก็ด่ากลับไปไม่ได้สนใจเลยนะว่าข้างหน้านมีฝูงควายเลยกับวชนเข้าไปเต็มที่เลยเรื่อง น, นี้มันก็สอนสองอย่างนะอย่างในน้อยเนี่ยอย่างแรกคือว่าเวลาขับรถเนี่ยอย่าคุยโทรศัพท์นะ ว่าตอนนี้เขาคุยท่อสามเนี่ยนะขณะขับรถเนี่ยเขาก็เลยไม่สังเกตเห็นว่ามันมีฟูงควายอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นโค้งพอดีแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สอนว่าเนี่ยอย่าโวนสรุปนะใบรุ่นที่ตะกรอนใส่เขาว่าควายควายเนี่ยไม่ได้ด่านะแต่เขาเตือนว่ามีฟูงควายอยู่ข้างหน้าพูชายคนนี้เนี่ย ไปดวนสรุปว่าเนี่ยเขาด่าฉันเขาด่าฉันก็เลยโกโรธจริงๆถ้ามีสตินะก็ต้องจดจ่อยอยู่กับการขับรถแล้วก็มองข้างหน้าแต่พอดวนสรุปว่าเขาด่ากูด่ากูเนี่ยก็เลยอดไม่ได้ที่จะด่ากลับไปตอนด่าเนี่ยก็เลย ไม่ได้ดูทางข้างหน้าเพราะคนเราเวลาโกรธเนี่ยมันก็คิดแต่จะทำให้อีกฝ่าหนึ่งเจ็บปวดด่าให้รุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ตระหนักหรือว่าไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ตัวนะว่ากำลังขับรถอยู่เนี่ยมันก็จะสนใจนะทางข้างหน้ามากกว่าที่จะไปทะเลาะบาะแว้งกับวัยรุ่นที่ขับมาประกบอยู่ข้าง รถเพราะไม่สนใจทางข้างหน้าคิดแต่จะไปด่าเขาก็เลยประสบุบัติเหตุชนควายไม่รู้ควายตายหรือเปล่าแต่ว่าตัวเองก็ถือว่าโชคดีนะเพราะไม่งั้นนี่ก็อาจจะตายไปด้วยยังโชคดีที่รอดและที่รอดมาได้อย่างหนึ่งก็คือเพราะว่า ไวรนนั้นช่วยเขาไว้เขาปาณาดีนะั่นแต่แรกแล้วก็ามาเตือนว่าควายอยู่ข้างหน้าก็ไปหาว่าเขานี่มาดา่าพอเกิดเหตุก็ไปคิดว่าเนี่ยเขาทําร้าย ท, ทั้งที่เขาเนี่ยช่วยนำะพาส่งโรงพยาบาลทคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ด่วนสรุปกันมากนะที่จริงคนเราก็ด่วนสุกันมานานแล้วละ่ะแต่สมัยนี้เนี่ยเรา พอเราด่วนสรุปเร็วเกินไปเนี่ยผลเสียผลร้ายมันตามมาทันควันเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ทาช่วยให้มันทำอะไรเร็วๆขับรถได้เร็วไปถึงที่หมายได้ไวนะมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เนต็ตที่ทำให้ตอบโต้ได้ไวแม้นะถ้าเกิดว่าด่วนสรุปหรือเข้าใจผิดเนี่ย แล้วทำอะไรลงไปเนี่ยมันก็ก่อผลเสียได้อย่างรวดเร็วบางทีก็ถึงตายได้เนี่ต้องนะยิ่งโรกโรคมันหมุนเร็วใช้เทคโนโลยีที่มันเร็วแล้วก็แรงนี่มันยิ่งต้องนะรู้จักยับยัง้งชัางใจทำอะไรก็ต้องมีสติขับรถนี่ถ้าไม่มีสติเนี่ยเอาแต่โทรศัพท์คุยกันหรือว่า ไม่สนใจขับรถแต่ว่าไปโตเถียงด่าว่าไม่ว่าคนที่อยู่ในรถหรือว่าคนที่มาเล่นประกอบอยู่ข้างนี้ก็ตายได้แต่การขี่จักรยานนะขี่จักรยานแล้วคุยกันไปมันก็ไม่เสียหายเท่าไหร่หรือเดินไปคุยไปมันก็ไม่เกิดความเสียหายเท่าไหร่แต่พอขับรถนี่แล้วไม่มีสตินี่มันก็อาจจะเกิดความเสียหายและความเสียหายส่วนนึงก็เกิดจากการที่ เราไปด่วนสรุปว่าเขาว่าเราเขาด่าเราเพราะว่ามันทําให้เกิดความโกรธพอโกรธแล้วมันก็ลืมตัวนะี่พี่ชายคนหนึ่งแกก็เล่านะอีกนี่อีกไลนนะขับรถเนี่ยทางนี่มันก็เป็นทางต่างจังหวัดนะมีสองเลนตั้งหน้านี่เป็นรถรถเทรลเลอร์รถพ่วงรถพ่วงนี่มันขับช้าเขาก็พยายามแซงแต่พอจะแซงทีไรรถพ่วงนึงก็พยายามขวางทางเอาไว้นะจะแซงขวาก็แซงไม่ได้ เพราะว่ารถขวางเอาไว้เ็โกรธมากบีบตาด่าแต่สักพักนี้เขาก็เห็นรถสวนมาเป็นรถโดยสารมีเงินรถบรรทุกรถอ้อยสวนมาเขาก็เลยรู้เลยว่าออรถพ่วงข้างหน้าเนี่ยไม่ได้แกล้งเขาแต่ว่าต้องกันกันเข้าไว้เพราะถ้าเกิดว่าไม่กันเนี่ยรถเก่งก็จะแซงแซงขวาก็โดนรถที่สวนมาคือรถอ้อยชนประสานงา คนขับรถพ่วงนี่เขารู้นะเขาเห็นรถอ้อยนี่มาแต่ไกลแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าปล่อยให้รถข้างหลังเนี่ยแซงนี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เขาก็เลยกันเอาไว้ไม่ได้แกล้งนะแต่ต้องการช่วยนะแต่ว่าคนขับรถข้างหลังไม่รู้เนะี่ยก็คิดว่าเขากันนะก็เลยโกรธแล้วเลยดา่าบีบแต่ดา่าดีหนะ้าที่คนขับรถพ่วงเนี่ยเขาใจเย็นนะถูกบีบแต่ด่าเขาก็ไม่โกรธนะ แล้วก็ยับยังชั่งใจไว้ได้เพราะว่าคืนปล่อยให้รถเกงนี่แซงนี่ก็เกิดความเสียหายหลายเท่านะเวลาขับรถนี่หรือว่าเวลาใช้โทรศัพท์มือถือนี่ในการมีสติการไม่ด่วนสรุปนะสำคัญมากเลยเพราะถ้าเราด่วนสรุปแล้วทําอะไรลงไปนี่ก็จะเกิดความเสียหายได้มากมาย